เดนดีบางคนเคยพบบอกพระบางองค์เนี่ยถ้าท่านให้พรใครแล้วก็คนนั้นจะร่ำรวยทีเดียวแต่ถ้าท่านไปแช่งหรือไปว่าใครเข้าหร่กคนนั้นเสียคนเลยทีเดียวเสมือนหนึ่งกับว่าท่านเนี่ยมีวาจาศิถ้าพูดอะไรให้พรให้ศีลให้พรใครก็มักจะเจริญถ้าไปตำหนิติเตียนใครเข้าคนที่ถูกตำหนินั้นก็ถึงกับทำมาหากินไม่ขึ้น จะต้องประสบกับความวิบากเดือดร้อนต่างๆข้อเนี้เป็นความจริงแล้วก็มีพระเถระสมัยก่อนที่มีวาจาลักษณะดังกล่าวเนี่ยมีหลายท่านด้วยกันที่เป็นเช่นนี้ก็ปรากฏว่าพระเถระเหล่านั้นท่านเป็นผู้มีศีลดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีและท่านเป็นคนไม่พูดมากท่านจะพูดอะไรออกมาแต่ละคำเนี่ยก็ต้องเป็นวาจาที่เป็นประโยชน์ เ ก, กื้อกูลกกบุคคลอื่นท่านไม่เป็นคนปากพล่อยมึกจะพูดใครร้ายใครท่านก็พูดไปเฉยเฉยเหมือนกับชาวบ้านพูดกันท่านไม่พูดมินทาว่าร้ายใครใส่ร้ายใครพระเถระเหล่านั้นวาจาท่านก็ศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าหากว่าใครใช่วาจาไปทางลักษณะเช่นนั้นต่อให้ท่านเปล่ากระหม่อมให้ัติดครั้งมันก็ไม่เกิดมงคลแก่ผู้ที่ไปเปล่า เพราะเปล่าลงมาครั้งใดก็มีแต่วจีทุจริษลงมาที่ขมอมทั้งนั้นหรือถึงจะให้ศีลให้พรสักเพียงใดก็ตามก็ไม่เกิดมงคลแก่ผู้ที่รับพนเพราะว่าวจีเช่นนั้นไม่เคยเป็นวจีที่สุจริตฐฉะนั้นการใช้คําพูดไปในทางที่ดีที่งามอยู่เสมอนั้นจึงมีส่วนเกื้อกูลต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มากมายอยู่ทุกครั้งพระท่านจึงต้องมีการสาธยายมน สวดมนต์ท่านก็สวดเสียงดังๆท่านไม่ใช่จะสวดในใจสวดก็ต้องเปลงเสียงออกมาดังๆทำไมเราจึงต้องสวดดังๆจะสวดเงียบๆในใจไม่ได้หรือที่สวดดังๆเนี่ยก็เพื่อที่จะให้วจีมีส่วนในกุศลด้วยอย่างน้อยปากเราก็มีส่วนได้ทำกุศลเนี่ยอันนี้สาธุชนบางแห่งยังไม่ค่อยจะเข้าใจ ที่ไม่เข้าใจนะคือบางแห่งเวลาจะรับศินพระท่านให้ศินเนี่ยโยมไม่ค่อยจะเปล่งวาจารับให้ได้ยินนะสังเกตหลายครั้งอาตมาไปงานศพในกรุงเทพเนี่ยวัดใหญ่ๆเวลาพระท่านให้ศินเสียงอุบาสกเงียบหมดได้ยินแต่เสียงพระท่านตั้งนโมต่ขอขึ้นปานาติ ป, ปาตาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิและก็เงียบ แทนที่โยมจะเปร่งตามว่าปานาติป า, าตาบางเงียบหมดพอท่านทิ้งช่วงจังหวะหนึ่งท่านก็ว่าต่อไปอีกก็เงียบอีกไม่ได้ยินเสียง อ, อุบาสิกาเปร่งวาจาดังดังขึ้นมาเลยแม้แต่ตั้งน้ำโมก็ไม่ได้ยินเนี่ยอันนี้นับว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนะเราควรจะรับศีลกันดังๆงเมื่อพระท่านตั้งน้โมเสร็จเราก็ต้องตั้งน้โมเราบ้าง พระท่านให้ไตรสรณคมเราก็ต้องเปร่งไตรสรณาคมให้ดังๆพระท่านให้ศีลเราก็ควรจะรับศีลดังๆนี่ไปรับศีลในใจกันก็ทําให้ไม่รู้เรื่องโยมรับหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ถึงเราจะรับเรารับในใจก็ยังไม่ถูกต้องนักเพราะควรจะถึงซ้อมด้วยกายวาจาใจมีทั้งกายคือเราประนมมือมีทั้งวาจาคือการเปร่งเป็นเสียงออกมา มีทั้งใจคือการตั้งใจสมาทานสิ่นั้นปุ ส, สนของเราก็มีมากขึ้นเนี่ยเราควรจะทำกันอย่างนี้ไม่ควรจะรับสินกันในใจก็ทารับกันในใจเดี๋ยวพระเกิดให้สิ่ในใจขึ้นมาบ้างก็เลยเป็นอันว่าไม่รู้กันมีพระเถระบางรูปกอขึ้นธรรมกพอท่านตั้งน้ำโมสามหนเสืองอุโบสถอุบาสกอุบาสิกาเงียบแล้วก็ท่านกน็นั่งเงียบของท่านเฉ ย, เฉย ถือประปดับเฉยๆผูสุดท้ายโยมก็นั่งมองตาค้างไว้เอ๊ะทําไมท่านไม่ไมว่าต่อท่านก็บอกอ้าวว่ให้สินแล้วนี่อันนี้ก็เรียกว่าสินเงียบคือท่านก็ให้สินในใจบ้างเหมือนกันโยมจะรับสินในใจผูสุดท้ายไม่รู้เรื่องกันอีกคนก็ให้สินเงียบตนรับก็รับสินเงียบผูสุดท้ายก็เลยเงียบกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นก็ควรจะเปล่งวาจาเวลารับสินควรจะสมาทานสิ่งเรืง่งดังสักหน่อย ก็จะเกิดมงคลกก่ผู้ที่เปร่งด้วยอย่ารับสินเงียบเลยเพราะว่าคนฟังเขาก็ไม่รู้ว่าโยมนรับแล้วหรือยังเวลาพระท่านให้พระท่นานก็ไม่รู้ว่าโยมวาดจบแล้วหรือยังจะได้ว่าต่ออย่างนี้ย เ, เรื่องเกี่ยวกับการกรเสรเิญพระพฤติคุณทำเมตคุณสังฆคุณหรือคุณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี พระท่านนิยมสัมมาสัิพุเสียงดังๆเวลาเราได้ยินเราก็รู้สึกสบายใจพอได้ยินอิติปิโสพระควาอารหางังเนี่ยเราก็รู้สึกปลาบปื้มปี ต, ติยินดีทั้งจิตนั้นก็ยังเลื่อมใสในพระพุทธองค์เนี่ยมากขึ้นเพราะเมื่อเราได้ยินเสียงเช่นนั้นอยู่เสมออย่างพระท่านทำวัดชา้าวัดค่ําเราได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระอย่างนี้เราก็รู้สึกสบายใจ ว่าออกพระท่านทำวัดแล้วและถ้าเราเข้าใจด้วยเราก็ยิ่งจะทราบถึงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบทไหว้พระสวดมนต์นั้นเป็นบทที่มีความหมายทางด้านธรรมะฉะนั้นการปฏิบัติในพิชิตกุลเนี่ยเราก็ต้องทราบความหมายของธรมธรม ะ, รมะที่เราบริกรรมเสียก่อนโยมที่สวดสารเสริญพิชิตกุลธรรมกุลสังคกุลนี้ ได้ดีแม่นยำแล้วปฏิบัติไม่ยากคือเจริญอนุสติพุทธานุสติเนี่ยไม่ยากทำได้ง่าย เ, เพราะว่าการเจริญพุทธานุสตินี่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรสมมติว่าเราจะนั่งในที่ใดที่หนึ่งถ้าจะปฏิบัติเอาจริงเอาจางกันเราก็ต้องไปหาโคนต้นไม้ที่เยือกเย็น อย่างเดือนนี้เป็นเดือนที่ร้อนมากเราจะเห็นว่าโคนต้นไม้นั้นให้ความร่มรื่นเป็นอย่างดีแต่เมื่อเราไปสู่โคนต้นไม้แล้วเราก็ควรจะใช้โคนต้นไม้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำสมาธิจิตนั่งคูบัลลังก์นั่งคูบัลลังก์นงนงในที่นี้ก็คือเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายแล้วก็มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรงดํำรงสติไว้ให้มั่นเฉพาะหน้าคําว่าดํำรงสติไว้ให้มั่นเฉพาะหน้าก็หมายถึงดํำรงสติไว้ในอารมณ์ที่เราจะบริกรรมให้มั่นคงเฉพาะหน้าว่าในขณะนี้เราจะบริกรรมอะไรเป็นอารมณ์เราก็เอาสตินี้ตั้งไว้กับคุณสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ เป็นเมื่อเราจะเจริญพุทธามสติเป็นอารมณ์เราจะเอาสตินี้ตั้งมั่นไว้กับพระพุทธคุณตั้งไว้กับพระพุทธคุณนั้นก็คือตั้งไว้กับพุทธคุณบทใดบทหนึ่งในเก้าบทนี้เช็นตั้งแต่อรหังเป็นต้นไปเนี่ยบทใดบทหนึ่งตั้งเป็นอารมณ์ออวิธีปฏิบททัติอันนี้พระเถระท่านนิยมใช้กันหลายสำนักที่ขึ้นชื่อ และมีสาวตุชนนิยมปฏิบัติกันมากในยุคหนึ่งก็คือของหลวงพ่อวัดปากน้ำพาษีเจริญจังหวัดุพรบุรีเนี่ยหลวงพ่อวัดปากน้ำนี่ท่านเจริญพุทธานสิกมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทต้นคือคำว่าอารหังแต่ว่าขณะที่บริกรรมนั้นท่านเพิ่มประโยคการบริกรรมเนี่ยให้ยาวออกไปเป็นคำว่าสัมมาอารหัง มีสัมมาเป็นประโยคหน้าอารหังอยู่ประโยคหลังใช้คำว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหังเนี่ยท่านใช้มานานอันนี้เป็นเป็นอารมณ์บริกรรมส่วนวิธีกาหนดอารมณ์นั้นท่านก็มีวิธีของท่านอีกให้เอาสติไว้กลางกายขณะที่บริกรรมสัมมาอารหังเนี่ยเอาสติไว้กลางกาย เหนือกะเดินขึ้นมาสองนิ้วตรงนั้นเป็นฐานตั้งของนิมิตที่เกิดขึ้นจากการบริกรรมวัมม า, าราหังในอย่างกลางกายของเราเนี่ยสุดลมหายใจเวลาหายใจเข้าไปข้างนในลมหายใจสุดอยู่ที่ตรงไหนก็สติไว้ตรงนั้นไม่ให้สติฟุ้งซ่านไปนในภายนอกอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติอนุสติประการหนึ่งเหมือนกัน บางท่านให้ใช้คําว่าพุทธโธใช้คําว่าพุทธโธโดยเอาลมนี้มาเป็นอารมณ์อีกเชล็ดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างนี้ก็มีซึ่งเจริญอาณาปานสติกับพระพุตุคุณเนี่ยควบคู่กันไปการปฏิบัติเช่นนี้ก็คือการเจริญพุทธาลสตินั่นเอง จะเป็นพุทโธจะเป็นสัมมารอารหังหรือบทใดบทหนึ่งก็าตามตชื่อวาเป็นการเจริญพุท ธ, ธานุสติแต่ว่าพุท ธ, ธานุสติที่จะเจริญโดยถูกต้องสปายะแก่บุคคลนั้นเราจะต้องเข้าใจความหมายด้วยบางคนบริกรรมไปแล้วไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจพอบริกรรมไปจิตใจก็ไม่สงบผลสุดท้ายก็นึกว่าเมื่อเราหลับตาบริกรรมแล้ว เราจะต้องเห็นอะไรขึ้นมาทันทีบางคนไม่เข้าใจเมื่อไม่เห็นขึ้นมาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมหลับตาและมืดตื้อไปหมดไม่เห็นอะไรเลยเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นคือการเห็นจะเป็นเห็นอะไรก็ตามจะต้องเห็นขึ้นมาอย่างหนึง่งผลสุดท้ายก็ไปเร่งที่จะให้เห็นขึ้นมาอันนี้เราไปเร่งไม่ได้อย่างคนที่นั่งหลับตาเห็นไอ้นั้นไอ้นี่นะ่ไม่ใช่หมายถึงว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันเกิดขึ้นจากการนึกคิดของเรา ถ้าเราไปให้มันเกิดแล้วมันก็เกิดอารมณ์นิมิตเนี่ยจะปรากฏได้นั้นต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานต้องอาศัยสมาธิเป็นบาตจึงจะเห็นถ้าไม่มีสมาธิเป็นบาทแล้วจะเกิดความเห็นเป็นนิมิตต่างๆปรากฏนั้นไม่ได้ผู้ที่ปฏิบัติดีมีสติเป็นไปโดยสม่ำเสมอเท่านั้นจึงจะเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ดังนั้นเวลาเราเจริญสมาธินั้นก็ขอให้เราได้เข้าใจความหมายว่าเราปฏิบัติสมาธิด้วยการเจริญพุธานิสติเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรปฏิบัติไปเพื่ออะไรและจะเห็นอะไรบ้างเนี่ยเราต้องเข้าใจกันก่อนต้องเข้าใจความหมายของการบริกรรมเพราะว่าบริกรรมเนี่ยจาเป็นกรรมฐานที่เป็นสมถะนั้นจะต้องมีการบริกรรมทั้งสิ้น ในการบริกรรมนั้นจะเอาอะไรมาบริกรรมเล่าจะเอาอะไรเป็นบริกรรมก็แล้วแต่หลักการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติกรรมฐานประเภทไหนก็เอาประเภทนั้นแหละมาบริกรรมบริกรรมนั้นไม่ใช่หมายถึงการนั่งบนพึมพำพึมพำแต่หมายถึงว่าเราเอาจิตเนี่ยนึกนึกอยู่เสมอเสมอนึกถึงสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เนี่ยเรียกว่าบริกรรมนะไม่ใช่หมายถึงการนั่งบนออกมาเป็นเสียงนะแต่หมายถึงเอาจิตเนี่ยนึกถึงอยู่เสมอ ซึ่นอ่าเราจะเจริญอนุสติเนี่ยเราก็ต้องบริกรรมบริกรรมอะไรเช่นบริกรรมนึกในใจว่าอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาอรหังเราบริกรรมอรหังอรหังในใจอย่างนี้นี่แหละคือการบริกรรมเรียกว่าบริกรรมแล้วสมาธิที่เกิดขึ้นขณะที่บริกรรมอันนี้ก็เรียกว่าบริกรรมสมาธิหรือบริกรรมภาวนาเป็นภาวนาประเภทบริกรรม ดฉะนั้นเราต้องเข้าใจความหมายของการปฏิบัติว่าบริกรรมเนี่ยเป็นเรื่องต้นที่จะให้เกิดสมาธิต้องมีการบริกรรมเสียก่อนโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดก็คือความหมายของพุทธคุณที่เราบริกรรมอยูอ่การเจริญพุทธานุสติเนี่ย เราหยิบเอาพุทธคุณบทใดบทหนึ่งในก้าบทนี้มาเป็นอารมณ์แล้วแต่เราจะพอใจชอบประเภทไหนเช่นถ้าเราพอใจจะเจริญพุทธานุสติข้อแรกเราก็ใช้คำว่าอรหังนะสติปิโสภควาอรหังสติปิโสภควาอรหังแปลว่าสาเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์คำว่าอารหังเนี่ยเราแปลว่าอารหันต์แปลว่าอารหันต์แต่ความจริงคําว่าอารหังนั้นมีความหมายออกไปหลายนายดิหลายนัยะด้วยกันเช่นจะถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงทรงพระนามว่าอารหังพระนามอันนี้เป็นเมมิตรกนามเป็นพระนามที่เกิดขึ้นโดยคุณโดยคุณธรรมของพระองค์ ที่เราสวดสรรเสริญว่าอารหังก็ดีสัมมาสัมพุโทโธก็ดีวิชาเจรณะสัมปันโนสุคโตโลกวิทูเหล่านี้หรือพักวาอานี้ชื่อหรือพระนามเหล่านี้เป็นพระนามที่เกิดขึ้นโดยคุณโดยคุณธรรมที่เกิดอย่างเราลองเรียกพระเถระบางท่านวา่าท่านชาญราพีบุคคลท่านเตวิชโชก็หมายถึงว่าองค์นั้นมีคุณธรรมคือได้ชาญ องนั้นได้วิชาสามจึงได้นาม ว, ว่เตวิโชเพราะว่ามีคุณธรรมอยู่ในใจเราก็ร้องเรียกบุคคลเหลา่านี้ตามคุณธรรมที่เกิดขึ้นอย่างเราเรียกคำว่าพ่อคำว่าแม่ชื่อพ่อชื่อแม่นั้นจัดว่าเป็นเนมิศกานามเพราะเกิดขึ้นโดยคุณของท่านทำไมจึงเรียกบุคคลที่ให้กำเนิดว่าเป็นแม่ หรือบางทีก็ใช้คำว่าช น, นีก็เพราะว่าท่านลาเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดหรือเป็นผู้ให้น้ำนมเป็นผู้โอบอุ้มชีวิตเรามาจึงชื่อว่าช น, นีหรือจึงชื่อว่าแม่ชื่อว่าพ่อถ้าชื่อว่าพ่อก็เพราะว่าให้ความอบปุ่นให้ความคุ้มครองป้องกันภัยให้เมื่อลูกเกิดแล้วผู้เป็นพ่อก็คุ้มครองป้องกันภัยให้แก่ลูก แม่มีหน้าที่ปกปักรักษาสอนลูกให้การเลี้ยงดูให้ความปกอุนแ ก, ลก่ลูกเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าพ่อและแม่ซึ่งความจริงแล้วพ่อกับแม่ก็มีชื่อของตัวเองอยู่อีกเหมือนกันพ่ออาจจะชื่อในแดงแม่อาจจะชื่อนางขาวอะไรเหล่าเนี้ยซึ่งนั่นก็เป็นชื่อของพ่อของแม่อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ร้องเรียกสำหรับพ่อกับแม่ทั่วโลกใครๆก็ เรียกพ่อเรียกแม่ทั้งนั้นเป็นชื่อเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าคนไหนไม่ได้ทำหน้าที่อย่างนี้เราก็ไม่เรียกว่าพ่อไม่เรียกว่าแม่เรียกอย่างอื่นไปแล้วแต่หน้าที่ที่จะพึงมีอยู่หรือแล้แต่คุณธรรมของบุคคลที่มีต่อเราเราก็เรียกบุคคลเหล่านี้ไปตามหน้าที่ตามคุณธรรมที่ปรากฏเหมือนกับที่เราเรียกบุคคลอื่นๆทั่วๆไปบางทีก็เรียกว่านายช่าง เพราะว่าคนคนนี้ถ้าเป็นช่างก็มีความชํานาญในการช่างเราก็เรียกเขว่านายช่างเพราะามีความรู้ความเชี่ยวชาญในการช่างอย่างเนี้เรียกว่าเชื่อที่เกิดขึ้นโดยคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีพระนามหลายพระนามด้วยกันแต่แลพระนามนั้นมีความหมายมากเช่นอย่างคําว่าอารหังถ้าถามว่าทําไมจึงเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอรหรันคําว่าอารหันแบบนี้ เป็นศัพที่นักบวชสมัยก่อนพุทธกาลเองต่างก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์ชื่อคำว่าอารหันต์เนี่ยถือเป็นสัพที่สูงสุดใครก็ตามที่ปฏิญาณตนว่าเป็นอรหันต์แล้วผู้นั้นคือพระอริยเจ้าเป็นชื่อของพระอริยเจ้าเนี่ยคาว่าอารหันต์ฉะนั้นเบญฐีนโครนในสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ย บางคนก็ปฏิญาณตนว่าเราเป็นอรหันต์แล้วแม้แต่พระพุทธองค์ที่เราสรู้ใหม่ๆก็ยังต้องปฏิญาณตนต้องประกาศเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์เราเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าคือต ร, รัสลูขึ้นมาเองโดยชอบเราเป็นพุท ธ, ธะต้องปฏิญาณให้คนอื่นรู้เหมือนกันที่เขาไม่รู้ก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุท ธ, ธะ ใช้คําว่าอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นคําว่าอารหันต์ด้วยคําว่าอารหังเนี่ยเป็นชื่อที่มีเกียรติมากในสมัยนั้นเป็นที่รู้กันของบุคคลทั่วไปถ้าได้ยินคําว่าอารหันต์แล้วคนจะต้องก้มลงกราบทันทีว่าอาท่านผู้นี้เป็นพระอริยเจ้าคําว่าพระอริยเจ้าที่เรียกกันว่าเป็นพระอรหันต์นั้นก็ะอะไรเพราะว่าประการที่หนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นที่ได้รับนามว่าเป็นอรหังหรืออรหันต์เพราะมีพระทยห่างไกลจากกิเลสอันเป็นข้าึกิเนี่ยมีพระทยห่างไกลจากกิเลสคำว่าห่างไกลในที่นี้ก็หมายถึงกับเราเนี่ยห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆสิ่งความชั่วร้ายต่างๆนี่เราไม่ไม่อยู่ใกล้เราอยู่ห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส เพราะว่าจิตของพระอริยเจ้านั้นบริสุทธิ์แล้วไม่มีกิเลสใดๆเข้าไปเกลือดกลั้วอยู่จิตของท่านห่างไกลจากกิเลสเหล่านี้เราก็เรียกว่าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสอันเป็นข้าศึกเนี้ยคําว่าอรหังนั้นคือผู้ห่างไกลจากกิเลสอันเป็นข้าศึกเนี่ยประการที่หนึ่งประการที่สองเพราะเป็นผู้ขัดจัดข้าศึกและกําจัดได้แล้ว กำจัดค่าสุดในที่นี้ก็หมายถึงกิเลสนั่นเองพราะกิเลสนี้เป็นค่าสุด ก, ก, กิดจิตกำจากในที่เนี้หมายถึงวัฏจักรหมายถึงวัฏจักรเช่นเราจะเห็นว่าวงล้อหรือล้อเวียนที่ที่มันหมุนไปได้เนี่ยส่วนประกอบของล้อเวียนก็มีมีดุมมีกรรม มีกงดุมกรรมคกงโยมที่เคยมีเกวียนคงจะรู้จักดีว่าตรงไหนที่เรียกกันว่าดุมไอ้ส่วนไหนเรียกว่ากรรมส่วนไหนเรียกกันว่าโกงแต่ถ้าไม่เคยมีเกวียนหรือไม่เคยศึกษาก็อาจจะไม่รู้ว่าเอะตรงไหนที่เรียกว่าดุมตรงไหนที่เรียกว่ากรรมตรงไหนที่เรียกว่กโกงเพราะว่าอันนี้เป็นข้ออุปมาธรรมะฉะนั้นผู้ที่เรียนธรรมะก็ต้องรู้ อตาตมาเองไม่รู้เรื่องก็ต้องเปิดค้นคว้าว่าเอ๊ะตรงไหนนะที่เรียกว่าดุมว่ากรรมว่ากงต้องรู้เหมือนกันเพราะเเป็นข้ออุปมาเช่นท่านอุปมาว่าอาวิชชาอุปมาเหมือนกับเป็นดุมอย่างนี้อวิชชาเปรียบเหมือนดุมถ้าพูดถึงนายปฏิจจสมุปาทแล้วอริยสตรนะีเปรียบเหมือนกงเปรียบเหมือนกับโกงรือวงข้างนอก บางทีอุปมาอริยสัจสี่ว่าอะไรเป็นกรำรอะไรเป็นกงอะไรเป็นดุมส่วนที่เป็นซี่ๆเนี่ยระหว่างดุมกับกรงอย่างเนี้ยเรียกว่ากรำเช่นเราจะเห็นว่าวงล้อเวียนมีอยู่หลายซี่อันนั้นเราเรียกว่าก ร, รมส่วนกงข้างนอกเนี่ยที่ที่อยู่ขอบนอกเรียกว่าพงเฉพาะตรงเพลาที่ใสที่ใส่เพลาตรงนั้นเรียกว่าดุมที่เราจะเอาเพลาสอลงไป มีดูอยู่ตรงนั้นเรียกว่าดุมกรำรกงดุมทั้งสามอย่างที่ว่าหักกรำกงแห่งสังสรารจักจเนี่ยหมายถึงว่าถ้าหักว่าปัจจัยทั้งสามประการนี้ประกอบเปนพร้อมแล้วมันก็หมุนได้แต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งถูกหักไปแล้วมันก็หมุนไม่ได้เช่นอย่างกงหักไปซี่หนึ่งอ่ากงหักไปทอนึงเนี่ยรอนั้นไม่หมุนแล้ว ทำลายกงกรรมแห่งสังสา ร, รจัจันใช้คำว่าได้ทำลายกงกรรมแห่งสังสา ร, รจัจตัวที่เป็นกรงตัวที่เป็นกรรมนั้นก็คือตัวตัณหาอวิชชาต่างๆเหล่านี้ทำลายได้แล้วมันก็หมุนไปไม่ได้เหมือนกับเราสามารถทำลายกิเลสได้ตามในของตามระยะแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นก็มี อวิชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปอายตนะภาษาเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชราโมรณะเหล่าเนี้ถ้าหากว่าเราทาลายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เสียได้แล้ววัตตสงสารก็สิ้นสุดลงคือการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายก็เป็นอันว่าสิ้นสุดลงแต่ถ้าหากว่า เราทำลายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้การเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่สิ้นสุดลงเนี่ยท่านใช้คำอุปมาเหล่านี้ถ้าผู้มีพระภาพเจ้าขาจัดข้าศึกคือกิเลสต่างๆได้แล้วทั้งเป็นผู้กาจัดกรรมงงแห่งสังสารวัชรหรือทำลายกรรมจักเหล่านี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงได้รับทนาว่าอะระหัง ดีความหมายของคําว่าอารหังในยะที่สองความหมายของอรหังในยะที่สามที่ได้นามว่าเป็นอรหังนั้นแปลว่าเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยคําว่าควรแก่ปัใจจัยในที่นี้หมายถึงว่าควรแก่การถวายปัจจัยหรือเครื่องพยทานต่างๆเช่นอย่างปัจจัยสี่อันมีอาหารบินขบาร จีบอลที่ราเพสัตรหรือเสนาสนะนี่ใครที่จะควรรับปัจจัยเหล่านี้เหมือนกับทาทั้งหลายจะไปทําบุญหรือจะไปบริจาคทรัพย์เนี่ยท่านก็ต้องคิดซะก่อนว่าใครควรแก่ปัจจัยของเราทั้งสี่อย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะควรให้แก่ใครใครเป็นผู้ที่ควรรับปัจจัยทั้งสี่ของเรา ถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเหล่านี้เพราะเหตุใดเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นผู้มีจิตบริสุธทธิเดชแล้วเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะได้รับปัจจัยทั้งสี่เหล่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจึงสวดสรรเสริญว่าเป็นอนุตรังบุญยเขตตังคือเป็นบุญยเขต ไม่มีบุญญาเขตอันใดจะเสมอเหมือนเท่ากับพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธองค์นี้เป็นทักษิเนยะบุคคลเป็นบุคคลที่ควรแก่ทักษิณาทานของเราที่เราควรจะให้ฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการทำบุญแล้วพุทธศาสนิกชนก็ย่อมทราบว่าถ้าเราทำบุญแล้วก็ต้องทำในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นบุญญาเขตอันเลิศที่เราควรจะทําบุญเพราะฉะนั้นการจะสละปัจจัยสี่ออกไปนี้เราก็ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาว่าปัจจัยสี่ที่เราบริจาคออกไปนี้น่ะจะเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาหรือไม่เป็นประโยชน์แก่พุทธมนฑลหรือไม่ถ้าเป็นประโยชน์เราก็บริจาคฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการบํารุงพระพุทธศาสนาเนี่ย สาวผู้ชนทั้งหลายจึงเข้าใจดีแล้วก็ทุกท่านก็มักจะถือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นบุญญาเขตอันหนึ่งที่เราควรจะได้หวานพืชคือเพียรทานลงไปเนี่ยก็เหตุว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยกรณีถ้าโดยสามัญสำนึกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้เราก็มกักจะแผ่เมตตาธรรมเหล่านี้ไปสู่บุคคลอื่นว่าแม้บุคคลอื่นจะไม่ใช่ พุทธก็ทำประสงค์เลยผู้นั้นก็ควรจะปัจจัยดอกหรือก็คว ร, ควรแก่ปัจจัยเหมือนกันถ้าเรามีเมตตาธรรมเช่นอย่างขอทานผู้ขัดสนจนยากมาขอร้องเราก็ควรแก่การช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นบุญยักเขตไม่เป็นอนุตตรังบุญยักเขตตางได้ยินเหมือ น, น, นกันนะแต่ว่าไม่เกิดยบเท่ากับทําบุญในชั้นเป็นตัณาไม่เป็นอนุตรังบุญยักเขดตัง ถ้าจะเป็นอนุตตรังค์บุญญาเพศต่างเราเราก็ต้องทํำในพระพุทธศาสนาทีนี้การทําในพพุทธศาสนานั้นก็ต้องคํานึงถึงประโยชน์ว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเนี่ยมากน้อยอย่างไรเราก็ต้องคํานึงถึงข้อนี้เหมือนกับเราจะสร้างอะไรในพพุทธศาสนาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นสาวรวัตถุเราก็ต้องคํานึงถึงประโยชน์ว่าประโยชน์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะใช้อะไรได้บ้าง ประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าหากว่าสร้างไปแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยก็ป่วยการไปสร้างเพราะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรโดยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็เหลือเือเกินไปเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ว่าเมื่อสร้างสิ่งนี้แล้วจะได้ประโยชน์แค่ไหนยังวัดอยู่ในชนบทมีพระอยู่เพียงหารูปอย่างเงี้ยเราสร้างโบสถ์สักาล้านอย่างนี้ก็ไม่คุ้มค่ากันแล้ว ก็พระทำสังฆกรรมเพียงห้าองค์แต่เราสร้างโบสถ์ราคาเป็นล้านานบาทประโยชน์ก็ได้น้อยถ้าจะถามว่าถ้าการสร้างโบสถ์อย่างนี้กับสร้างโรงเรียนอะไรอย่างไหนจะมีประโยชน์กว่ากันอาตมาก็ตอบว่าโรงเรียนมีประโยชน์กว่าถ้ามีเด็กเรียนถึงห้าปุโร้อยคนโรงเรียนก็มีประโยชน์กว่าเพราะว่าเราคํานึงถึงประโยชน์เป็นที่ตั้งถ้าประโยชน์อันนั้นจะกว้างขวางนั่นนะ่ะคือการได้บุญได้กุศลมาก เนี่ยบุญจึงอยู่ที่ประโยชน์อีกเหมือนกันเพราะวาโยบางคนก็เข้าใจในเรื่องนี้ผิดถ้าจะทำประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็ไม่ทาแต่ถ้าทำประโยชน์อย่างนี้แล้วก็จะทำเช่นอย่างโยศรัทธาจะถวายระครังจะถวายกรองอนี้เนี่ยว่าการถวายะระกังก็ดีกรองก็ดีทำให้ชื่อเสียงโด่งดังดี โยมเคยบอกว่าถ้าใครอยากดังก็ต้องสร้างะระฆังถวายวัดถ้าใครอยากดังก็ต้องไปสร้างตรองถวายวัดแล้วก็ดังแน่บางทีวัดมันมีะระฆังถึงสิบกว่าลูกอย่างนี้ไปตีกันยังไงไหวะระฆังตั้งสิบกว่าลูกมันเกินความจําเป็นหรือบางทีตรองตั้งหลายหลายลูกอย่างนี้ก็มากมายเกินไปต้องพิงจารณาถึงความจําเป็นว่าควรจะใช้แค่ไหนแล้วก็ บ, บุญอยู่ที่ตรงเนี้ยถ้าสร้างไปแล้วไม่ได้ใช้เลยก็ป่วการ ประโยชน์หรือบุญกุศลจะเกิดขึ้นแก่เราที่ผู้สร้างนั้นอยู่ที่ว่าใช้สอยได้หรือเปล่าและก็ได้ใช้สอยไปแค่ไหนต้องคํานึงถึงเรื่องประโยชน์การใช้สอยด้วยนะจึงจะเป็นอนุตรงังคุญย่างเขตต่างเนี่ยวพระผู้มีพระภาคเจ้าควรแก่ปัจจัยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราทําบุญเนี่ยเราจึงทําในพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายลองลองคิดประเมินผลกัน เพียงคร่าวๆก็ได้ว่าทรัพย์สินในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่อย่างทั่ประเทศไทยเนี่ยวัดมีจำนวนกี่วัดมีสองหมื่นกว่าวัดในจำนวนสองหมื่นกว่าวัดเนี่ยวัดหนึ่งนี่ลงทุนสร้างเท่าไหร่เช่นอย่างวัดมหาธาตุเนี่ยต้องลงทุนสร้างเท่าไหร่พระตำหนักหลังนี้วัิฮิระโบสวิหาร อะไรต่ออะไรเนี่ยมากมายเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินก่อสร้างแล้วเท่าไหร่ไม่ใช่น้อยมากมายเหลือเกินสมบัติในพระพุทธศาสนาเนี่ยที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศนี่มากมายสมบัติเหล่าเนี้ใครสร้างให้ก็ญาติโยมนี่เองพุทธ ศ, ศาสนาทีประชนนี่เองเป็นผู้สร้างให้เรากล่าวได้ว่าไม่มีประเทศไหนอ่ะที่นับถือพระพุทธศาสนาจะสวยงามมีปูชีสถาน มากมายเหมือนอย่างในประเทศไทยประเทศอืน่นถึงมีพิพธศาสนาเราไปดูก็ไม่สวยงามที่จะมีโบสถ์อันวิจิตรพิสดารงดงามอย่างพวกเราเนี่ยหายากที่สุดมีประเทศไทยเราเนี่ยที่งามมากแล้วก็ใหญ่โตมากประเทศไทยก็มีเฉพาะบางภาคอีกเหมือนกันนะบางภาคนี่บางจังหวัดนี่หาโบสถ์ใหญ่ๆดูสักหลังหนึ่งก็ยากเหมือนกันอย่างทางภาคอีสานทางภาคใต้บางจังหวัด หาบทใหญ่ๆดูยากวัดบาทงทีดูก็มีกุติสองสมหลังก็เป็นวัดนะ